เราต้องพากันคิดถึงความดีของตนอย่าให้จิตส่งไปนอกจากความดีเรียกว่าบำรุงกำลังใจของตนด้วยการคิดนึกถึงเรื่องบุญอยู่เสมอเสมอนั่นอย่างหนึง่ง ยกย่อชมเชยสนัทเสริญจิตที่มันคิดนึกความดีอ น, นั้นยกย่อชมเชยให้เกิดเพิอดอดพืนยินดีตลอดเวลานั่นอย่างหนึง่งคมขี่จิตอ น, นั้นกระทัางหามาคิดทางชั่วคิดออกน้องลูกโนทาง ขมขีเหยียดหยารดูถูกทมละอายใจนี่กลับคืนมาด้นอย่างหนึง่งอย่างหนึ่งให้ละทิงทงะท้งเสียแต่คิดทางชั่วออกไปละทิ้งเสียทั้งบาป ก, กุศลไม่เอาละทำได้อย่างนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญเป็นผู้งอกงาม ในคุณงามความดีคือบุน่นกุศลไหนๆแล้วก็ต้องการพุ้นแล้วบ่าวเราไม่ต้องการต้องหาวิธีอย่างนี้จิตที่มันคิดความดีความงามอย่างว่าจิตมันเฉยๆมันไม่คิดไม่นึก ไม่รู้สึกอะไรเลยเฉยๆอยู่ที่จริงมันมีอย่างนะแต่มันไม่รู้สึกมันไม่คิดไม่นึนมันเป็นความโง่เช่นนั้นไม่ใช่ความฉลาดไม่เกิดปัญญาเอาจึงเราจรึงค่อยบำลุงให้มันเกิดอุบายปัญญาขึ้นโดยอุบายต่างๆในเวลานี้มันเป็นอะไรอยู่ทาไมอยู่เฉยๆเวลามันนิ่ง มันเป็นเพราะเหตุที่เราไม่ได้คิดคันเราคิดเรานึกรู้สึกว่าเราเฉยมาจากไหนเป็นอะไรแล้วจังเคยเฉยก็จะเห็นความดีของเราขึ้นมาเต่กก่อนเราไม่เฉยเวลานี้เราเฉยอยู่เราไม่คิดไม่นึกเราปรุงไม่แต่ง น, นั่นก็ดีขั้นหนึ่งแล้ว ดีก็เดียวก่อนที่เราคิดเราหนึ่งเราคิดเราเนึกเราปรุงเราแต่งเราโกรธโทษสามานาทิทีมากมายแต่นี่มันเฉยอยู่นี่เห็นความดีของตนจิตมันก็ตื่นขึ้นมาราการนี้รู้สึกว่ากระปีก้กระเป๋าขึ้นมางามทำคุณงามความดี เห็นความดีของตอนแล้วก็ชอบใจยินดีอันนี้ปลอบใจทั้งเราให้เกิดความตีตีให้เกิดความปลื้มใจมเรียกว่าจิตควรชมเช ย, ย, ยก็ชมเชยเสยยกยอเสียให้เกิดพวดเพลินเจริญใจขึ้นมาครนี้ทาหามันคิดชั่ว คิดในทางที่ไม่ดีไม่ถูกมันคิดเร็วซ้ำเราเป็นคนแท้ํรรมะจะคิดเร็วซ้ำขนาบขนานมนลงด่ามันลงอันนั้นไม่ใช่คนนะใช่ไหมอันนั้นเป็นสัตว์อันนั้นเป็นของไม่ดีมันตายไปตกนรกเราเป็นคนจะแบ่งหาวานรก เราเป็นคนธรรมแสวงหาสัตว์สัตว์ทั่วไปมันมันต้องเป็นอย่างนี้แหละเราไม่ใช่คนส่วนคราหะนิมทามจิต ท, ที่มันคิดชั่วคิดเร็วสาร ม, มันคิดหยาบให้คราหะนิมทามอย่าให้มันคิดไปได้ จนกระทั่งมันละอายเกิดควรละอายแล้วมันจะกลับคืนป่ามามอยู่คงที่เราเรียกว่าจิตควรกระหะควรคมขีจิตควรละควรข่มในจิตควรละตอนนี้ มันเกิดกิเลสโทสะมานะอะไรเกิดขึ้นมาล ำ, ลลำรีลำไหลลำขาญไม่ดูแลรอดเป็นสักทีโทสะมานะทิฏฐิแต่ไหนแต่ไรมันเกิดอยู่งั้นน่ะกิเลสทั้งหลายมันเกิดไม่ดูแลรอดเป็นสักทีเพราะเหตุที่เราไม่ละไม่ทิ้งเห็นเวลาใดก่อน กิเลสของเก่าอนะ่ะโทสะมานะทิฏฐิของเก่านะปีไหนเดือไหนของของเก่าอ่ะนะเมื่อไรเมื่อไรเกิดขึ้นมากากของเก่าอนะ่ะะเมื่อเกิดที่ใจของเรามันเกิดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายกรมรมตะกัดมารวมไว้ที่ใจนี่แหละมันตาเห็นนะไม่ชอบหูได้ยินนก็ไม่ชอบ แตมโมถูกกินก็ไม่ชอบลบิ้นถูกลถก็ไม่ชอบหายถูกรสผัดก็ไม่ชอบจริงที่ไม่ชอบมันเกิดโทสะเกิดความน้อยใจเห็นว่าตัวนี้ต่ามต้อยน่อยหน่อยหนานอยตาเขาไม่เหมือนเขาถ้าเกิดโทสะแล้วโกรธตัวของเราเอง ก็เกิดมาหน้าทิฐิขึ้นตัวของเราเองมาน้าให้ใจแข็งกล้าขึ้นให้มันถูกมาหน้ให้ถูกทําไมคนดีเขายังท่องยังค่อยละนี้เหล่านี้ได้ทาไมแล้วก็เป็นคนไม่ใช่หรือเราละไม่ได้หรือทำมาหน้มันกล้าแข็งขึ้นเราะจะทําอย่างคนโน้นอะ่ะคนที่มันดีแล้วโน่นอะ่ะ เขาก็เป็นคนเหมือนกันกับเราทําไมเราจะทําอย่างเขาไม่ได้ทิ้งเลยอทอดทิ้งเลยไม่ต้องพิจารณามากใหม่ไม่ต้องพิจารณาเหตุผลมันทิ้งก่อนเมื่อทิ้งแล้วยังคอยพิจารณาตามหล่ะมันยังค่อยชัดในระด้านี้มันไม่ชัดมันปกคลุมอยู่กิเลสปกคลุม มันไม่ชัดในใจพิจารณาทีหลังชัดเลยทีเดียวมันเป็นเพราะเหตุนะั้นนั้นมันเกิดมาจากเรื่องแล้วนั้นมันเดียวไปจิตขวนละขวนทิ้งขวนถอนขวนปล่อยวางเอามาไว้มันก็เป็นเครื่องยุ่งเยิงเดือร้อนภายในใจของตน ต้องพูดถึงเรื่องใจเสีก่อนมันเกิดที่ใจนี่แหละใจิตใจที่ัวจิตมันเกิดที่จิตนี่เด็ดจิตที่ควบค่มขีก็ค่มขี่ขอย่างอธิบายมาแล้วจิตควรชั้นเสริญก็ชั้เสริญยกเงาชมเชยก็เกิดปีตียินดีจิตที่ควรละก็ละ ค้นถอนก็นถอนโดยการอย่างนี้เรียกว่าหาวัยทาบุญด้วยบุญที่เกิดเกิดกุศลจิตไม่ใช่ทาบุญภายนอกทำบุญทนทานนะเอวยอย่างหนึ่งเราหัดภาวนาต้องทาบุญด้วยกุศลจิต จิตไม่เนี๊ยเนียวแน่นจิตไม่โกรธเกิดโทษสามนะณะจิตไม่เกิดไม่ประกอบด้วยกิเลส น, น, นั้นแหละจิตพองใส น, นั้นเป็นบุญเป็นบุญเกิดจากใจ เ, เกิดจากจิตภายในเราทำอย่างนี้อยู่เสมอเสมอเป็นบุญอยู่ทุก คือยาบุตรคราวนี้เราก็เห็นในบุญของเรามีในตัวของเรามันก็ชมเชยตัวของเราในตัวเราลากความชั่วได้นำมาเอาความชั่วไว้ในใจแล้วก็ส้มเชยยดีในตัวของเราจะไปหาบุญที่ไหนอีกบุญไม่ไม่นอกเหนือจาก ใจเรางันไม่นอกเหนือจากจิตนี่ดราเราสะสม น, นี่แหละบุญของเราสะสมกันในที่นี้แหละแล้วพุทธเจ้าท่านนี้พาเนี่ยท่านทิ้งวัดปุนก็นทิ้งบาปเขาทิ้งถามว่าข้หลังท่านทิ้งวัดเขาเกิดมากะมาเอานี้เนี่ยถอนที่งเขาท่านทิ้งวันนี้แหละ เอาของเก่าของท่านเอาควาดีของท่านเอาของเก่าของท่านนะท่านท้ามอย่างนี้เหมือนกันมันก็เกิดคดีนี้แหละที่ใจของท่านนั่นและเราท้าอย่างนี้มันก็เกิดคดีตัวของเราเนี่ยนะไม่เกิดที่ไหนหรอกยังหาบุญภายในหาคุญเกิดที่จิตบุญอันนี้นไม่หมดมีสิน้น ก็เหตุที่ไม่หมดไม่สิ้นนั่นแหะคนเกิดมาในโลกนี้จึงค่อยพาเขามาสร้างอบบุญกุศลสร้างเท่าไรก็ไม่หมดสักทีคนมาเกิดมามากเท่าไรก็ยิ่งมีมากเท่านั้นเพราะมันเกิดจากจิตมันเกิดจากใจมากว่าใจมากดวงเท่าใดั้นสร้างบุญที่ถูกต้องมันก็ทั้งมากกันเท่านั้น ไม่หมดมีสิ้นไปที่พูดสร้างไยแล้วก็พอแล้วก็ทิ้งเสียเคยทอดรัทิ้งเสีเยสถึงนี้มรรคผนิพพานบุญกุศลถึงที่แล้วมันหมดเรื่องไม่มีอะไรหรอกไม่เอาไปด้วยบาปก็ไม่เอาบุญก็ไม่เอา ขันเอาันยังได้ป่ามันยังเป็นพบเป็นชาติเอาบุญเอาบาปมันยังได้เป็นภพเป็นชาติอยู่เจ้ว่าโลภุตระเหนือโลกไม่มีบุญหรือบาปแล้วยังได้เรียกว่าเหนือโลกเรายังสอสแสวงหาบุญหาผู้สนอยู่ยังห้พากันสร้างบุญให้มันได้ นางในอธิบายมา น, นี่แหละจิตที่ควรชมเชยสนเสริญยกยอชมเชยสนเสริญตมมันจิตที่ควรข่มขี่พระหานินทาก็าข่มขี่พระหานินทามันจนอายมันหายนา น, นีมดุนจิตที่ควรละควรทิ้ง ละทิ้งถอนมันหมดของที่ไม่ดีทําอย่างนี้เมันจึงจะพอมันช่กี่อิ่มเป็นบุญกุศลที่ว่ามันท่านละบาปแล้วบุ่นะทําอย่างนี้ยังคอยอิ่มพอเป็นเอาละเทศเท่านี้